บทที่สามสิบห้าเยือนนครปักกิ่งหลังอาหารเช้าของวันรุ่งขึ้นคณะนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยโดยการนำของนายกุลเชียงก็ออกเดินทางจากโรงแรมไปยังสนามบินเพื่อบินไปยังปักกิ่ง อันเป็นนครหลวงของประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนจีนจะพักที่ปักกิ่งสองคืนเพื่อชมพระราชวังและที่พระนางสูสีไทเฮาได้ใช้อำนาจกดขีบ่บังคับเอางบประมาณของกองทัพเรือมาสร้างเป็นวังส่วนพระองค์สมัยนั้นพระนางถูกตาหนิติชิ้นจากประชาชนคนจีนฐานนางบประมาณที่จะใช้ในการ ป้องกันประเทศมาใช้จ่ายเพื่อบำรุงบำเรอความสุขส่วนตนครั้นมาถึงสมัยนี้พระราชวังที่พระนางมีบัญชาให้สร้างกลับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำรายได้มหาศาลให้กับประเทศเช่นเดียวกับกำแพงเมืองจีนซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากความทุกข์ยากของกรรมกรที่ต้องเสียชีวิตไปหลายร้อยหลายพันคน กว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิ้นและกลายมาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบันนายกุนเชียงดูแลลูกทัวที่เป็นครือัดให้รับประทานอาหารมื้อข้ามและก็ถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุทั้งห้ารูปแล้วนิมนต์ท่านพักผ่อนหลังจากครือัดเข้าห้องพักแล้วเขาจึงถือโอกาสเข้าไปในห้องของท่านพระครูส่งหนังสือพิมพ์ภาษาจีนให้ท่านดู พูดว่าเครื่องบินลำที่เราโดยสารจากสัวเถามากุ้ยหลิมเมื่อวานนี้บัด น, นี้ตกเรียบร้อยแล้วครับไม่มีผู้ใดรอดชีวิตเลยสักคนเดียวพวกเราโชคดีที่ไม่ได้โดยสารมาวันนี้ผมว่าเพราะหลวงพ่อมาด้วยจึงทำให้พวกเราแคล้วคลาดเขายกความดีให้ท่านพระครูสมภารวัดป่ามะม่วงอุทานออกมาเป็นภาษาบาลีว่า กามุนาวัตตีโลโกหลวงพ่อว่าอะไรนะครับนุ่มใหญ่ฟังไม่รู้เรื่องเพราะไม่เคยเรียนบาลีก็ไม่ว่าอะไรเพียงแต่จะบอกว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมที่พวกเขาทําร่วมกันมาไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งกรรมไปได้ทากรรมใดไว้ก็จะได้รับผลของกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่ว เรื่องของกรรมเนี่ยแก้ไขไม่ได้เลยเหรอครับคือผมหมายความว่าถ้าเราทำอะไรลงไปแล้วไม่สามารถจะแก้ตัวได้อย่างนั้นหรือเปล่าครับถามด้วยศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญามิใช่ประกอบด้วยโมหะกรรมเก่าเราแก้ไขไม่ได้เพราะว่าทำลงไปแล้วจะต้องรับผลเท่านั้นแต่กรรมใหม่เราสามารถแก้ไขได้ อาตมาถึงได้สอนลูกศิษย์ว่ารำเก่าต้องใช้รำรใมหม่ต้องอย่าสร้างอีกนี่หมายเฉพาะกรรมชั่วเท่านั้นนะเรื่องรำรยังมีคนเข้าใจไม่ถูกต้องอีกมากคือไปเข้าใจว่ารำรมหมายถึงคำรรชั่วเท่านั้นที่หลวงพ่อพูดมาเนี้ยหมายความว่าเป็น ร, รมดีก็มีระครับถูกแล้วรำ ม, มีทั้งดีทั้งชั่ว แล้วก็มีทั้งกรรมไม่ดีไม่ชั่วหรอครับผมเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เองเมื่อก่อนผมเข้าใจว่ากรรมหมายถึงกรรมชั่วเท่านั้นเพราะเรามักจะพูดถึงกรรมไปในทางชั่วเช่นบาปกรรมเวรกรรมเคราะหกรรมและก็ที่ได้ยินบ่อยที่สุดก็คือคนมักจะพูดกันว่ามันเป็นกรรมของฉันผมก็เลยไปเข้าใจว่ากรรมหมายถึงความชั่วเท่านั้น นี่ถ้าผมไม่ได้พบไม่ได้สนทนากับหลวงพ่อผมยังเข้าใจผิดอยู่หลวงพ่อสอนเก่งเหลือเกินผมอยากให้พระทุกรูปในประเทศไทยสอนเก่งเหมือนหลวงพ่อคนไทยจะได้เข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องหลวงพ่อครับถ้าผมขอรบกวนเวลาหลวงพ่ออีกสักนิดนึงผมอยากจะทำความเข้าใจเรื่องกรรมให้มากกว่านี้จะได้นาไปสอนลูกสอนล้าน หลวงพ่อกรุณาสละเวลาให้ผมด้วยเถอะครับผมคิดว่าหลวงพ่อจะต้องได้บุญได้กุศลมหาศาลเลยถ้าจะกรุณาโยมอยากรู้อะไรก็ถามมาไม่ต้องยกแม่น้ำทั้ง้าก็ได้ท่านพระครูพูดขัดขึ้นเพราะรู้ว่าถ้าไม่ขัดเขาก็จะต้องพูดต่อไปอีกยืดยาวเป็นการเสียเวลาสำหรับท่านเวลาทุกนาทีมีค่า จึงไม่ปรารถนาจะหายใจทิ้งผมอยากรู้เรื่องกรรมครับอยากให้หลวงพ่อให้คำจำกัดความของคำว่ากรรมอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของผมต่อไปขออาราธนาแสดงธรรมครับเขาประนมมืออาราธนาอย่างเป็นพิธีการท่านพระครูจึงอธิบายอย่างเป็นงานเป็นการว่า เรื่องกรรมเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไม่เข้าใจชีวิตและไม่เข้าใจวัตจาจักรของชีวิตว่าที่เราต้องเวียนตายเกิดกันนั้นมันมีอะไรเป็นเหตุคําว่ากรรมในพระพุทธศาสนานั้นแปลว่าการกระทาที่ประกอบด้วยเจตนาเจตนาก็คือความตั้งใจหรือว่าจงใจเมื่อเราทาอะไรโดยมีเจตนา คือจงใจทำทั้งที่รู้ย่อมเป็นกรรมนั่นก็คือความชั่วความดีมีขึ้นในตนเจตนานี่สำคัญมากพระพุทธองค์ตรัสว่าเจตนานั่นแหละคือกรรมเจตนามีสามลักษณะเจตนาลักษณะใดก็ก่อให้เกิดกรรมในลักษณะนั้นเจตนาดีหรือกุศลเจตนาก่อให้เกิดกรรมดีหรือกุศลกรรม เจตนาชั่วหรืออกุศลเจตนาก่อให้เกิดกรรมชั่วหรืออกุศลกรรมเจตนากลางกลางคือไม่ดีไม่ชั่วหรืออพยกตะเจตนาก่อให้เกิดกรรมกลางๆางหรืออพยกรตัธรรมสรุปก็คือกรรมนั้นมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วและกรรมไม่ดีไม่ชั่วซึ่งขึ้นอยู่กับเจตนา หรือความจงใจของผู้กระทำหลวงพ่อครับกรรมดีผมพอจะเข้าใจกรรมชั่วผมก็พอเข้าใจแต่กรรมกลางๆคือไม่ดีไม่ชั่วเนี่ยผมไม่เข้าใจครับเป็นอย่างไรจึงเรียกว่ากรรมกลางๆเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสมมติว่าโยมหิวน้ำอยากดื่มน้ำก็เอื้อมมือไปจับแก้วน้ำยกขึ้นเดิม เจตนาดื่มน้ำเป็นเจตนาดีหรือเจตนาชั่วไม่ดีไม่ชั่วครับตอบอย่างมั่นใจนั่นแหละเรียกว่ากรรมไม่ดีไม่ชั่วหรือกรรมกลางกลางเพราะเกิดจากเจตนาที่เป็นกลางกลางถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นกรรมใช่ไหมครับอย่างเช่นผมเดินไปบนทางเดินแล้วก็เกิดเหยียบมดตายโดยที่ผมไม่รู้ว่าได้เหยียบมดตาย แบบนี้เป็นกรรมหรือเปล่าครับถ้าโยมไม่ได้เจตนาคือไม่ได้จงใจหรือว่าตั้งใจจะทำให้มันตายก็ไม่ถือว่าเป็นกรรมจะเป็นกรรมก็ต่อเมื่อมีเจตนาหรือจงใจทาและถ้าเราจ้างคนไปฆ่าศัตรูเป็นกรรมหรือเปล่าครับเพราะเราไม่ได้ฆ่าเองหัวหน้าทัวถามอีกเป็นสิ เพราะเจตนาของเราพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมคือเมื่อเราเจตนาก็ย่อมเป็นกรรมนอกจากนี้พระองค์ยังตรัสอีกว่าเจตยิตวากัมมังกโรติกายเณวาจายะมานสา บุคคลตั้งใจแล้วหรือคิดแล้วย่อมกระทำกรรมทั้งทางกายทางวาจาหรือทางใจการทํากรรมทำได้สามทางคือทางกายเรียกว่ากายกรรมทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรมทางใจก็เรียกว่ามาโนกรรมท่านพระครูอธิบายและยกบาลีประกอบการทํากรรมทางกายทางวาจา ผมก็พอเข้าใจแต่ว่าทางใจผมไม่ค่อยเข้าใจทําอย่างไรจึงจะเรียกว่ากรรมทางใจครับนายกุลเชียงถามอีกมโนกรรมก็คือการคิดเช่นคิดให้ผู้อื่นประสบความพินาศจัดเป็นกรรมชั่วถ้าคิดปรารถนาให้ผู้อื่นประสบความเจริญรุ่งเรืองก็จัดเป็นกรรมดีเอาอย่างนี้ ถ้าโยมอยากทำความเข้าใจในเรื่องกรรมให้แจ่มแจ้งชัดเจนก็จะต้องไปเข้ากรรมฐานเพราะการพูดยังทำให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนไม่ได้จะต้องลงมือไปถึงการปฏิบัติ ด, ด้วยครับกลับไปเนี่ยผมจะไปเข้ากรรมฐานที่วัดหลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อพักผ่อนเถอะครับผมไม่ลบกวนแล้วเขากราบเบญจางขาประดิษฐ์สามครั้ง แล้วจึงกลับไปยังห้องพักรู้สึกเ อ, อิบ อ, อิ่มใจที่ได้สนทนาธรรมกับบรรพชิตผู้ทรงศีลาทิคุณเช่นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงองค์นี้หัวหน้าตัวออกจากห้องไปแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงจึงสวดมนต์แล้วก็เจริญกรรมฐานมีเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงเพื่อแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้สัภเวสี ซึ่งชักชวนกันตามท่านมาถึงปักกิ่งเพื่อขอส่วนบุญพวกเขาเป็นมนุษย์อยู่เมื่อวันวานครั้นมาวันนี้กลับกลายเป็นผู้แสวงหาพบเพราะยังหาที่เกิดที่แน่นอนไม่ได้เนื่องจากตายขณะที่จิตเป็นกลางๆโดยสารเครื่องบินมาดีๆเครื่องบินเกิดตกกระทันหันไม่ทันได้คิดถึงความดีความชั่วที่ตัวเคยทาไว จึงต้องแสวงหาที่เกิดกันจ้าละวันพวกที่ทำงานบนเครื่องยันโชคดีที่มีสมณะผู้เปี่ยมด้วยเมตตาโดยสารมาด้วยเมื่อวันวานคนเป็นหัวหน้าทัวพยายามจะบอกว่าจะเกิดอะไรในวันพรุ่งนี้แต่เพราะพวกเขาไม่ใส่ใจไม่นับถือพระจึงไม่เชื่อในสิ่งที่ชายผู้นั้นพยายามจะบอก พอตายแล้วจึงได้รู้ว่าพวกตนเป็นคนเกิดมาเสียชาติเกิดเพราะไม่รู้ว่าอะไรคือสาระแก่นสารของชีวิตชาติหน้าฟ้าใหม่หากได้เกิดอีกก็ขอให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาด้วยเถิดสุภาษิตฝรั่งสอนไว้ว่างานเลี้ยงก็ยังมีวันเลิกราเพราะฉะนั้นทัศนศึกษาของท่านพระครูก็ ต้องมาถึงวันสุดท้ายเช่นเดียวกันและเมื่อวันสุดท้ายผ่านไปแล้วท่านก็บินกลับประเทศไทยพร้อมคณะท่องเที่ยวที่มีนายกุนเชียงเป็นหัวหน้านายสมชายมารับท่านที่สนามบินดอยเมืองท่าทางเขาไม่ยินดียินร้ายในการกลับมาของท่านสม่านวัดป่ามาม่วงรู้สึกผิดสังเกตเพราะเป็นอาการเช่นนี้ มีใช่ธรรมชาติของสิทธิ์ก้นกุติผู้มีนามว่าสมชายในคุณเชียงกุลีกุจอสมท่านขึ้นรถพร้อมกันนั้นก็อยากจะสนทนาหาความรู้จักท่านเป็นครั้งสุดท้ายครั้นเห็นคนขับรถหน้าตาบอกบุญไม่รับก็เกิดความเกรงกลัว พระคนกับเกรงใจท่านพระครูจึงได้แต่เรียนท่านว่าจะไปเข้ากรรมฐานที่วัดจากนั้นจึงไหวาลาท่านและจึงเรียกแท็กซี่สำหรับตนนายสมชายออกรถโดยไม่พูดจาแรกกท่านพระครูคิดว่าเขาคงวางมาดไปอย่างนั้นเองแต่พอรถวิ่งไปได้สักพักก็พรานจะพูดพร่ำพรรณน า, นาจนท่านฟังไม่ทัน ครั้นรถวิ่งมาถึงรังสิตเขาก็ยังไม่พูดท่านก็นึกในใจว่าช่างเถอะเดี๋ยวถึงอายุทยาก็คงจะพูดเองนั่นแหละเรื่องอะไรเราจะไปพูดก่อนให้เสียฟอร์มดังนั้นท่านจึงนั่งหลับตารอว่าเมื่อไรเขาจะเอ่ยปากพูดออกมาก่อนรถวิ่งมาถึงอายุทยานายสมชายก็ยังไม่พูด ท่านพระครูก็ปลอบใจตัวเองว่าปเดี๋ยวถึงอ่างทองก็คงจะพูดเองนั่นแหละจ้างเราก็ไม่พูดก่อนให้เสียฟอร์มและท่านก็นั่งวางฟอร์มต่อไปกระทั่งถึงอ่างทองอันที่จริงหากท่านอยากรู้สาเหตุของการไม่พูดของเขาท่านก็สามารถรู้ได้ด้วยการพึ่งพาเห็นหนอหากท่านก็ไม่ต้องการพึ่งพาจนพล่ําเปลื่อ จึงเก็บความสงสัยเอาไว้เงียบๆกระนั้นก็ตั้งปณิธานว่าถ้าถึงพรมบุรีเจ้าหมอนี่ยังไม่พูดอีกเราก็จะพูดก่อนจะเสียฟองไปบ้างก็คงไม่เป็นไรสมชายปวดท้องหรือเปล่าถ้าปวดหนักปวดเบาก็จอดลงไปปลดทุกข์ก่อนก็ได้ฉันไม่เดีวรีบร้อนอะไร ท่านพูดขึ้นทันทีที่รถวิ่งเข้าเขตอำเภอรพรมบุรีผมไม่ปวดหรอกแต่ถ้าหลวงพ่อปวดก็บอกได้ผมจะจอดให้นายสมชายพูดเสียงห้าวและห้วนฉันไม่ปวดแต่รู้สึกว่าเธอปวดไม่ปวดท้องก็ต้องปวดหัวเพราะดูหน้าตาไม่เสเบยเลยนี่หรือว่าทะเลาะ ก, กับแม่อีนูมาท่านเริ่มยั่ว ไม่มีเสียงตอบจากในสมชายเขาคงตั้งหน้าตั้งตาขับรถต่อไปด้วยหน้าตาที่ค่อนข้างบึ้งตึงท่านพระครูจึงพูดตรงๆว่ามีอะไรไม่สบายใจก็พูดออกมานั่งหน้างีกหน้างออยู่ได้สุภาษิตจีนสอนว่าไม้คดทําขอเหล็กงอทําเคียวแต่หน้างอใช้ทําอะไรไม่ได้ ท่านอ้างภาศิทธของมารดาในกุญเชียงดัดแปลงเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศและสถานการณ์เดี๋ยวกลับถึงวัดหลวงพ่อก็รู้เองคนขับรถตอบสั้นๆด้วยเสียงห้วนๆถูกท่านมาหาดูเอารึไงถึงได้หน้าตาบอกบุญใหม่รับอย่างนี้ท่านพระครูยังคงพยายามสืบสอบ หาสาเหตุนอกจากหลวงพ่อไม่มีใครกล้าดุผมหรอกตอบทวนๆเช่นเคยพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าฉันเป็นคนเดียวที่กล้าแล้วเธอทําไมถึงไม่กลัวไม่กลัวคนกล้าแล้วเธอกลัวใครท่านตั้งใจยัวย่วไม่มีเสียงตอบจากคนขับรถและเขาก็คิดว่า จะไม่พูดอะไรอีกความโศกเศร้าครั้งนี้ใหญ่หลวงนักถึงเขาจะไม่ร้องไห้ออกมาเพราะความเป็นลูกผู้ชายมีนนำซ้ำยังชื่อสมชายแต่ก็อยู่ในสภาพน้ำตาตกในน้ำตามันท่วมอกท่วมใจเขาจนแทบจะล้นออกมาข้างนอกแล้วเขาอยากรู้นักว่าถ้าหลวงพ่อของเขารู้เรื่อง ท่านจะน้ำตาตกในวันอย่างตัวเข้าหรือไม่ประเดี๋ยวก็จะรู้เอกไม่กี่นาทีท่านก็จะได้รู้ด้วยตนเองเห็นสิทธิ์ค้นกุฏินั่งเงียบท่านพักครูก็เข้าใจว่าจะต้องมีอะไรหนักอกหนักใจและคงจะเป็นเรื่องที่เขาไม่ต้องการให้ท่านรู้อาจเป็นเรื่องในครอบครัวหรือไม่ก็เป็นเรื่องพี่พี่น้องๆ หรือว่าเกิดกรณีพี่น้องแย่งสมบัติกันไม่ดีแน่หากจะเป็นเช่นนั้นท่านไม่ชอบให้พี่น้องทะเลาะกันด้วยเรื่องของนอกกายถ้ายิ่งฟ้องร้องแย่งสมบัติกันก็ยิ่งแย่ใหญ่ในอนาคตพี่น้องจะไม่รักใคร่ปรองดองกันเพราะว่าทรัพสมบัติเป็นเหตุจะเกิดกรณีน้องค่าพี่พี่ค่าน้องและก็บางคนถึงกับฆ่าพ่อแม่ คนพวกนี้เมื่อตายไปก็จะต้องตกนรกเมื่อยังไม่ตายก็จะต้องติดคุกซึ่งเท่ากับตกนรกทั้งเป็นนับวันคนก็จะยิ่งขาดปัญญาเพราะไม่ได้อบรมตนด้วยศีลสมาธิและปัญญามีแต่เสียเวลาไปกับการแข่งแย่งสแสวงหาทรัพย์สมบัติกันช่างไม่รู้เลยว่าเวลาตายเอาสมบัติไปด้วยไม่ได้ แต่บาปนั้นถึงจะไม่อยากเอาไปแต่ก็ต้องติดตามไปอย่างหลีกเลี้งไม่ได้ส่วนคนดีมีปัญญาเขาก็จะไม่ยึดติดอยู่กับสมบัตินอกกายแต่จะสร้างสมสมบัติในกายก็คือคุณงามความดีที่เรียกกันว่าบุญและบุญนี้ก็จะติดตามตัวเข้าไปในภพหน้าได้ทันทีที่รถจอดตรงหลังกุฏิ ท่านพระครูเดินลงจากรถและก็เดินไปยังโบสถ์เพื่อจะไปดูบ่อน้ำทิพที่ผุดขึ้นมาบนพื้นโบสถ์นายสมชายคิดว่าท่านจะไปหาพระบวเหียวจึงเรียนท่านว่าหลวงพี่บวัวเหียวไม่อยู่หรอกครับหลวงพ่อไม่ต้องไปหาท่านหรอก ใครว่าฉันจะไปหาพระบบวเยวและหลวงพ่อจะไปไหนล่ะพูดแบบไม่มีหางเสียงเรื่องของฉันไปไหนก็ไม่เกี่ยวกับเธอครับไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวและพูดเสียงเบาลงว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าหมูหรึจ่ะท่านพระครูได้ยินถนัดชัดเจนเพราะเป็นปกติของท่านอย่างหนึง่ง คือถ้าใครพูดดังๆท่านมักไม่ได้ยินด้วยว่าเสียงมาเลยหูไปแต่ถ้าว่าใครพูดกระซิบหรือพูดในใจท่านจะได้ยินอย่างถนัดชัดเจนดังนั้นท่านจึงถามในสมชายว่ารู้หมูรู้จ่าอะไรหมูจ่าที่ไหนมาอยู่แถวนี้นายสมชายกำลังหงดหงิดเพราะจิตใจอยู่ในภาวะเศร้าโศก ยังคร้านที่จะต่อล้อต่อเทียงกับท่านรีบพูดขึ้นว่าหลวงพอ่อจะไปไหนก็รีบไปเถอะครับส่วนเรื่องหมูหรือจ่าเดี๋ยวท่านมหาบุญคงแจ้งให้ท่านทราบเองเขาพูดเป็นปริศนาท่านพระครูจึงเดินไปที่โบสถ์โดยอยากรู้ว่าบ่อน้ำทิพย์ยังอยู่หรือไม่และท่านก็ได้ประจักษ์ด้วยตาตนเองว่า บ่อน้าทิพซึ่งเป็นหลุมเล็กๆขนาดเท่าหลุมยอดหนมครกได้อันธรธานไปจากพื้นโบสถ์โดยไม่เหลือร่องรอยไว้เลยแม้แต่น้อยท่านรู้สึกแปลกใจจนต้องรำพึงออกมาว่าน่าอัศจรรย์นักหลุมเล็กๆบนพื้นโบสถ์ที่มีน้าทิพขังอยู่เหมือนจะบอกเราให้ไปสืบเสาะหาที่มาคลั้นพอเราได้ไปพบแหล่งกาเนิดดั้งเดิมที่เมืองสวเถา ก็กลับหายไปอย่างไม่เหลือไม่เหลือล่องรอยไว้เลยปฏิหารแท้ๆเรามีบุญเหลือเกินที่ได้พบได้เห็นอะไรๆที่คนอื่นไม่เคยได้พบได้เห็นีนถ้าเราไม่ได้เป็นสักยะบุตรพุทธโอรสของเสด็จพ่อก็คงไม่ได้พบไม่ได้เห็นเป็นแน่ท่านรู้สึกอิ่มใจและภูมิใจที่ได้เป็นสักยะบุตรพุทธโอรส เพราะหากไม่ได้เป็นก็คงจะไม่สามารถดับทุกข์ได้สิ้นเชิองอย่างที่เป็นอยู่นี้เจ้าอาวาดวัดป่ามะม่วงเข้ามาในกุฏินายสมชายขนของจากรถมาไว้ในกุฏิเรียบร้อยแล้วท่านมีของฝากจากเมืองจีนมาฝากลูกศิษย์ลูกหาและญาติโยมที่ถวายปัจจัยท่านไปทําบุญที่วัดไทยนั้งเป็นเรื่องปกติสำหรับท่านที่ไปไหนมาไหนจะต้องมีของฝาก ติดไม้ติดมือมาด้วยทุกครั้งพระมหาบุญกลับจากงานเผาศพที่โยมเขาหนิมนท่านไปแทนท่านพระครูรู้ว่าท่านเจ้าของกุฏิกลับมาแล้วจึงขึ้นไปกราบหลวงพ่อมาถึงนานแล้วเหรอครับท่านถามสักพักเห็นจะได้ท่านมหาไปไหนมาหรือไปเผาศพที่วัดพุทธารา ม, มาครับเขาตั้งใจจะนิมนต์หลวงพ่อ พอรู้ว่าหลวงพ่อไปเมืองจีนก็เลยนิมนต์ผมแทนแล้วพระบัวเหียวไปด้วยหรือเปล่าท่านถามถึงน้องชายในอดีตชาติไม่ได้ไปครับเพราะท่านไปแล้วหมายความว่ายังไงพระบัวเหียวไปงานศพมาแล้วหรือท่านเจ้าของกุฏิไม่เข้าใจท่านไม่ได้ไปงานศพหรอกครับแต่ท่านไปแล้ว คือไปจากวัดป่ามะม่วงแล้วท่านพระครูรู้สึกใจหายวา่าหากก็กำหนดใจหายหนอได้ทันท่านจึงถามพระมหาบุญว่าท่านไปเมื่อไรทำไมต้องไปตอนที่ผมไม่อยู่ด้วยจะรอให้ผมกลับมาก่อนไม่ได้เชียวหรือผู้อาวุโสกว่าพูดเหมือนบน่นผมไม่ทราบจะตอบว่าอย่างไร ท่านฝากจดหมายลาไว้ที่ผมประเดีผมจะลงไปหยิบมาให้หลวงพ่อนะครับพูดจบก็ลุกขึ้นเดินลงบันไดไปท่านพระครูรู้สึกสังเวชใจลึกๆความผูกพันใกล้ชิดกับพระยวนรูปนั้นเป็นเหตุให้การไปของอีกฝ่ายสร้างความสังเวช ท, ที่เกิดขึ้นในจิตของท่านจึงเข้าใจสงสาร และเห็นอกเห็นใจบรรดาผู้ที่ทุกข์เพราะความพลัดพรากนี่เองหนอที่พระพุทธองค์ทรงแสดงทุกข์ไว้ในธรรมจักรกวัตนสูตรว่าปิเยหิวิปโยโคโทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นทุกข์โชคดีที่ท่านสามารถประหารทุกข์ทั้งหลายให้สิ้นเชิงและเป็นอิสระหลุดพ้น จิตของท่านอยู่ในภาวะเหนือทุกข์เหนือสุขเป็นจิต ท, ที่อโศกลางวิชาชังเขมังคือไร้เศร้าปราศจากทุรีเกษมซึ่งคุณสมบัติของจิต ท, ทั้งสามประการนี้มีอยู่ในพระอริยบุคคลผู้เข้าถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผลเท่านั้น